วิโตกถึงอะสะภาพร่างกายเท่าของสัดโลกิพร้อมเป็นอยู่ของสันโตกวิโตกไปมันจะเกิดสโสดสังเวชหรือวตกต่อไปในชีวิตเท่าจะได้มาบวชหรือมาปฏิบัติอยู่ในจังาบในปานมันจะเกิดข้อมวิตกไปแต่ก็จะเกิดข้อมโสดสังเวชอยู่เสมออมืการท่านขอเพียนมันก็จะเลื่อนติดจะเลิ่อน ยืนเดินนั่งนอนเมื่อมันมีตกถึงขอบปฏิบัติค้นฟองสยองเก่าผลหัวลูกสู่ชาอืมเมื่อหากว่าเราวปโต๊ะไปถึงขอปฏิบัติของเราอืมันจะมีผลลุกเกิดปีตีควมอินใจว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสภาพอย่างไรแต่ก่อนเราอยู่ในสภาพจังใดมันจะมีปีตีขึ้นอืที่มากระทําเช่นนี้ อื ม, อมบางทีก็มีความเชื่อแล้วถึงมาทำบางทีความเชื่อยังมีมากระทำก่อนเป็นเรื่องธรรมดามยกตัวอย่างเช่นตัวเราเองนี่แหละบวชมาครั้งแรกไม่ได้บวชดว้วยเซตาเป็นนินเองเล็กบวชมาด้วยขี้เกียจลดผักให้เขาลดยาให้เขา รถพริกเขาหนีไปนเน่ถ้าคนมารลบอย่างี้สักเออมารลบอย่างงี้มันไม่มาโดยจะท้าหรมันขี่เกียรติทำงานนี่ครับสมัยก่อนเราเป็นเด็กเคยได้สูบยา ก, กับเขาตอนเช้ามามาไล่เราเป็นรถยาหลายร้อยเครียดหลายไอ้มันหนีสักกลับมาบวชเป็นเนรานี่ คือคือเดี๋ยวมันไม่ตายบวชเป็นเ็นอายุสิบสี่สิบห้าปีขึ้นมาแล้วมันก็คิดไปอีกว่าเออบัดที่ร่างกายเราแข็งแรงหน่นะลดลดผักลดยามันจะไม่กลัวมั้งเนี่ยศึกไปอีกแล้วนะมันไม่มันไม่เห็นมันไม่ชนิดนะข้างหลังนี่มาบวชเป็นพระนี่ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันบวชเสือเส้อสๆสื้ซาไปง่ายก็มีบ้าง แต่ว่ามันกวาดมาแล้วได้มาปฏิบัติแล้ก็มาเรียนเรียนก็เรียนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มาปฏิบัตินี่รู้สึกว่าเกิดศรัทธาขึ้นมาปฏิบัติครั้งแรกเรามาวิตกไปถึงการความเป็นอยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายน่นาสลดน่าสังเวชสังเวชอะไรคนรวยทั้งหลายปรเดี๋ยวตายไปเท่านั้นแหละทิ้งบ้า น, น, นหลังใหญ่ไว้ อ, อตายไปใช่ลูกหลานเขาแย่งกันทะเลาะกันเมื่อเราเห็นแล้วเราอืมนะ อ, ะอะมันทึ่งถึงจิตใจของเราอันนี้เกิดฉรดสังเวชทั้งคนโจนทั้งคนรวยทั้งคนฉลาดทั้งคนโง่นั่นแหละอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้อืม <c oughs> ไอ้ธรรมะไอ้ความรู้สึกอย่างนี้มันเต็มอยู่ในใจของเราไม่รู้ว่าจะไปพูดให้ใครฟังนี่เมื่อมันตื่นมาแล้ว อะไรมันก็ตื่นเสมอแต่พบสิ่งต่างๆมันก็ตื่นเสมอสรุ่งเสมอเลยนี่เราสำเนียกได้เสมอว่าเรามีรู้จักธรรมะนี่เกิดที่ว่ามันสว่างขึ้นมาแล้วมองเห็นในหลายอย่างอืมมันมองเห็นแล้วในเวลานั้นมันก็มีอธรรมะปีติความอิ่มใจพูดถึงการสภาพที่เราอยู่อย่างนี้ ยก ง, ง่ายๆเช่นวายโไปไหมเรานี่ก็แปลกคนเหมือนกันนะอืมเป็นบุรุษเต็มส่วนมีมดทุกอย่างเลยนี่ม่อยู่ในป่าอย่างนี้ไนดะ้ไม่เสียดายนี่ไอ้ที่เามีครอบครัวกันมันน่าเสียดายล้าโดดลงมาอยู่อย่างนี้ก็มองไปดูๆูไอใครมันจะทำไรอย่างนี้นาอคิดไปแล้ว น, น, นี่ก็เกิดมีสักกาความเชื่อ ความเรื่องใสในปฏิปตาของเราอย่างนี้เป็นเบื้องแรกก็ทําองทำไปอย่างนี้มันส่งเสริมการติดต่อเรืเ่อยๆพเราไปค่อยๆเห็นไปตลอดมาจนถึงมาทุกวันนี้นี่เริ่มมันจะต้องต้องพยายามเราอุปสมบทมาเราไม่ปรารถนาว่าจะมาอยู่อย่างนี้จะปรารถนามาอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ขออย่างนี้ในเนื่องว่าจะหนี้มันไปจากโลกอันนี้บวชธรรมดาธรรมดา บัดนี้มันก็มาฝ่ายตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆศึกษาไปมันก็ยิ่งมีศรัทธาไปศึกษาไปก็ยิ่งอิ่มไปี่สงบไปมันก็มีปัญญาไปเราเคยพูดให้เขาฟังว่ามันความสงบอคือความนิ่งความสงบคือความนิ่งอืความไหลไปคือตัวปัญญา ได้ความว่าการทำจิตของเราก็ทำไปเพื่อให้มันสงบแล้วก็ให้มันนิ่งให้มันไหลไปต้นมันเราจะรู้จักว่าน้ำนิ่งมันเป็นอย่างไรน้ำไหลมันเป็นยังไงเมื่อเราปฏิบัติแล้วล้วจะมีความเห็นสองอย่างอีกคุ้มกันปะจงทำจิตให้มันนิ่งเหมือนน้ำที่มันนิ่งแล้วก็มันไหล ทางมันนิ่งทางมันไหลด้วยกันเป็นของพิจนายากไอ้ความเป็นจริงมัอนิ่งน้มนิ่งก็คือน้าไม่ไหลล้วก็รู้จักน้มไหลก็คือน้ามันไม่นิ่งเราก็รู้เรามาปฏิบัติแล้วเราจับทั้งสองอย่างเลยจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัตินันเหมือนน้มนิ่งมันไหลน้ำไหลนิล่งถ้ารวมมันจะเป็นน้มไหลนิ่ง ซิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่นี่มันเป็นชับเสมือนม่าน้า ม, มันไหลนิง่งจะไหลยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะนิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ได้แต่ธรรมดาก็นน้นิ่งมึงต้องนิง่งน้าไหลมันก็ต้องไหลเมื่อมันเป็นอาการของเราที่ปฏิบัติแล้วมันจะเป็นได้ความหมายว่าน้ําไหลนิง่งซึ่งเราไม่เคยเห็นน้าไหลนิง่ง ืก็ไปเห็นน้ำไหลมันก็ไหลเท่านั้นนี่ไปเห็นน้ำนิ่งมันก็ไม่ไหลเท่านั้นนี่บัดนี้ภายในจิตของเรามันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนน้ำไหลนิ่งเรียบมาในธรรมะข้อกับพิษปฏิบัติของเราก็คือมีสมาธิความสงบจต่คือมีตัวปัญญาปนกันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไปนั่งตรงไหนมันก็นิ่งแต่มันก็ไหลอยู่มันเป็นน้ำไหลนิ่ง อทางสมาธิทางปัญญาทางสมถะทั้งมีปัจฉณาเนี่ยมันจะบอกมันเลยมันดูอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไปถึงธรรมะรจิตใจได้นั่งอยู่ตรงไหนเมื่อก็ต้รู้จักมันเป็นอย่างนั้นอืมสงบอยู่วีปัญญาอยู่ไหลยอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่ไหลยอยู่อันนี้เมื่อปรากฏกับใจของบุคคลผู้ไรเดแบบแปลก เป็นของแปลกกับจิตธรรมดาของเราที่เราเคยดินมาแล้วแต่ก่อนทามันไหลมันก็ไหลไปทำมันนิ่งมันก็ไม่ไหลมันก็นิ่งอยู่จิตของเรามันจะเทียบกับน้ำอย่างนั้นบัดนี้มันมาตกอยู่ในสภาพว่าน้ำมันไหลนิ่งจะยืนจะเรือนจะนั่งจะนอนนั่นไม่หมายแต่เดี๋ยวมันน้ำมันไหลนิ่งไปทาจิตใจของเราเหมือนอย่างนั้นมันจะมีทางความสงบ มันจะทัางมีทางปัญญาในความสงบนี่เพราะอะไรปัญญานี่เพราะทำไมเกิดมาทำไมไม่ต้องอย่างอื่นนลยหมายถึงการพ้นทุกข์ทุกวันนี้เรามันทุกข์จนกว่าเราที่ไม่รู้จักทุกข์เรายัางยึดทุกข์ไว้อยู่มันกว่าทุกข์อีกถ้ามันเป็นอย่างนี้อาการในจิตของเรามันจะมีความรู้หลายอย่างเช่นรู้ทุกข์ รู้เหตุของทุกรู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับหลับทุกมันเป็นตัวอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันมีอยู่แล้วทุกอย่างมันมีอยู่แล้วถ้าเรามีน้ามไหล่นิง่งมันมีละมีทุกมีสมุทยัยมีนิโรธมรรคเป็นเร่องเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราอยู่ไปเมื่ อ, อไรเป็นต้นเอ่ความประมาทแล้วก็สองสั่งไปไม่มีไม่มี เห็นอะไรมันก็ไม่ประมาทมันสยดสยองอยู่ข้อต่อข้อกับพิธปฏิบัติของเรายิ่งดูไปยิ่งดื่มยิ่งดูดศึกษาไปยิ่งมีศรัทธาเรื่อยไปคนเราที่จะปฏิบัติอยู่ไปมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเลยไปทำกับเพื่อนครับเพื่อนเขาไม่ทำก็อายครับถ้าเพื่อนเขาหยุดเราก็หยุดถ้าเพื่อนเขาทำเราก็ทะ ถ้าอาจารย์พา ร, รมแล้วก็ทำถ้าท่านอาจารย์อยู่แ้วก็หยุดนี่มันเป็นไส์อย่างนี้ออมันเป็นไสอย่างนั้นอันนี้มันไม่เคยจะเรื่องการทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเราอยู่คนคนเดียวก็ให้เราทำอย่างนั้นจริงมาทำในขวัตํารวมกัตนตอนเช้าตอนเย็นทำรวมกันเพื่อเราอยากจะอยู่คนเดียวเราอยู่ที่ไหนก็ได้ต้องเอาขอวัดอันนี้ไปทำใ น, ในใจอรม คนเดียวจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนบ้านรับรองน่ายลวงจะเสด็จมาทำบ้านรับรองอสวยแเท่านั้นแหละในกี่วันก็เสร็จแต่ท่านเสด็จมาประทับปรเดี๋ยวเด็กันนี้เป็นรื้อเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นข้อประพฤติปฏิบัตินี่ ร, รวมกันหลายองค์อย่างเงี้ยนี่ยนะหลายองค์ให้รู้เรื่อง ดูเรื่องเลยก็หยุดจับได้แล้วเราจะทําอำให้ถึงจิตถึงใจของเราทุกนทคนเท่านั้นเนี่ยนี่มันก็เป็นพยาธิในตัวของเราแล้วอืมเดี๋ยวเรียนลูกคนโตเป็นอืมท่านทําอย่างนี้ดีแต่พยายา ม, มตามความรู้สึกว่าปีนี้คงจะรู้จักไครบ้างเราะนั้นสาขาได้เล็ ก, เกน้อยก็ยให้พากันทําอย่างน้อยก็ให้ ทำอ่านหนังสือให้ฟังไปบังอธิบายฟังเจ้าหน้ า, นาที่หัวหน้าก็พยายามพักพยายามให้ธรรมะลุกสิทให้ธรรมะโดย ก, การพูดให้ธรรมะโดยการกระทําในทุกอย่างไอ้พวกเราก็ไม่รู้จักกาบายท่านให้ธรรมะอย่างไรก็ไม่รู้เนรู้ในสมัยหนึ่งท่านอาจารย์ทองรัตน ท่านเดินเปนกัพปิสุสูงทั้งหลายเนี่ยเห็นควายตัวผู้มันกินหญ้ายอยู่ใกล้ทางท่านได้พูดว่าเออแม่อควายตัวเมียเนี่ยมันมากินหญ้าอยู่ใกล้ทางแท้พระสงฆ์เดินไปตามท่านจะแปลกอาจารย์ท่านหลวงนะมั่งนี่ ป่วยตัวผู้หรว่าป่วยตัวเมียเดินในระยะหนึ่งท่านทั้งหลายเห็นป่วยตัวเมียไหมนั่นมันกินหญ้ายอยู่นั่นน่ะอท่านอาจารย์นี่คงเป็นอุปราชมั่ง <g iggle> อย่างนี้คือเราไม่รู้จักท่านเทศให้เราฟังถ้าคนมีปัญญาท่านพูดอย่างงั้นเรารู้แล้วไอ้ควายไม่มีตัวผู้ตัวเมียหรอกนะไน่มีตัวผู้ตัวเมียที่มันมีเราไปสมมุติมัน ถ้าเขาสมมติว่าตัวผู้เป็นตัวเมียมันแต่แรกเราจะเอื่นตัวผู้เป็นตัวเมียตลอดวันนี้นี่เนี่ยพอได้ยินปุ๊บล้วเข้าใจแหละเออทันบ่ตัวเมียก็ถูกแล้วทันบ่ตัวผู้ถูกแล้วไอ้ถึงควยที่สูดจริงๆแล้วไม่มีตัวผู้ตัวเมียเมื่อมันมีทันแต่มาสมมุติเดี๋ยวนี้สมมุติเลยได้ยินมันก็ติดสมมติเลยเ อ, อืา จนเข้าข้างตัวผู้ตัวเมีย อ, อย่างจังทีเดียวใครเพิ่งพูดตัวเมียหนีิมันเป็นตัวผู้โอ้ยเถียงกันในกรดแล้วเถียงจนตายสะบานน้ำกันลงเงินกันอะไรว่ากันไปตามเรื่องของมนุษย์ของเราละแหละตามความเป็นจริงเราไม่ดูเรื่องนั่นมันถึงที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเดียกว่าท่านเทศในเราฟังถ้าใครถึงธรรมะ ก, ก็ฟังท่นสบายท่านจะว่า ไอตัวผู้เป็นตัวเมียมันก็สบายมันถูกแล้วท่านจะบอกตัวเมียเป็นตัวผู้ก็ไม่มีอะไรถูกแล้วไอคนที่ไม่รู้จักธรรมะ ก, ก็เถียงกันน่อืมโถเถียงกันอ่างตำรากันขวดกันวุ่นวายนี่คือคนไม่รู้ธรรมะตามความจริงมันคนไม่รู้มันหลงอยู่อย่างงั้นถ้ทาท่านรู้สมมติแล้วมีมุตแล่ถึก็สบายเนี่ยอเราก็เหมือนกันเดินไปตามทาง เห็นผู้หญิงอืมใจมันเปลี่ยนไปอย่างเดินไปเห็นผู้ชายเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเดินไปเห็นคนแก่เปลี่ยนอีกแล้วอย่างหนึ่งแล้วเห็นคนหนุ่มเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทุกข์เท่านั้นแล้วเห็นคนหนุ่มมันจะเอาเห็นคนแก่มันไม่เอาเห็นคนสวยมันจะเอาเห็นคนไม่สวยมันไม่เอาอย่างนี้เนี่ยมันทึบเป็นกรรมสร้างกรรมเสมอเนี่ยมันทุกข์ นี่เราไม่พ้นทุกการประพฤติปฏิบัติก็คือประพฤติปฏิบัติไทมันดูจับทุกรู้จะเกิดเกิดของทุกรู้จากความหลับทุกรู้จากข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกปฏิบัติเพื่อใจมันทนทุกอคนทุกยังไงตัวผู้ท่านมาตัวเมียก็มียท่านเดี๋ยวเรจะไปเหียทันานตัวผู้ตัวผู้ก็ทุกข์จนตายมันโยคนระดับอย่างนี้ แม้ท่านจะเดินเหนินไปทางประเทศไห้เราฟังท่านพูดเรื่องอื่นทังประเทศไห้เราฟังเราต้องรููจับธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นธรรมะมันมีอยู่ทุกสถานที่เอยู่ในรูปกม็มีอยู่ในนามมันอยู่ในต้นไม้ทางไหนมันมีทั้งนั้นธรรมะที่เรามีแล้วดีความชั่วมมีอยู่ทุกเวลาไอ้ความดีมัอยู่ทุกเวลาทําดีมาได้มก็ได้เหมือนกันทำชั่วมาได้ไดมันก็ได้เหมือนกันเมื่อกิจเข้าสู่ธรรมะถึงธรรมะแล้วเี่ยมันจะเป็นเอ เชื่อพวง์มันก็เป็นธรรมะก็จะรูธรรมได้เป็นอริยะบุคคลหนึ่งถึงคนจนเมื่อจิตมันถึงเทมาจะนนั้นมันก็เป็นอริยะบุคคลการมันเหมือนอย่างมันเป็นอย่างนั้นเหมือนรีนของเราเนี่ใครไม่รีนไหมเนี่ยน่ะรีนเพราะอะไรเพราะมันดูรถคนอยู่ในนี้พระเน้นอย่างเนี่ยมีรีนทุกคนดูรถเหมือนกันทุกคน เอาเรือมาแตะดูทีแตะทุกคนเนี่ยแล้วก็ถามแบบเต้ยง่ายแต่ว่าพูดแบบเข็มกันทุกคนเห็นไหมนี่มันเหมือนกันอย่างนี้อืมหรือพระตัวนิดๆนั่นมันจะว่ามันเปรี้ยวยังไงอืมนะหรือคนจะเป็นเชื่อพระวง์ข้างบนอย่างเงี้ยสูงเนี่ยมันจะเป็นมีรสอื่นไหมอมืคนยุภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางเมื่อเขาถึงธรรมะแล้วมันเป็นอันเดียวกัน นี่มันต่างแต่ว่ามันรูปของเราท่านมันต่างกันมันสูงไปมันเตี้ยไปมันอ้วนไปมันผอมไปนี่รูปเป็นอย่างนี้เมื่อจิตใจเข้าถึงธรรมะนี่ยมันจะเป็นพระสงฆ์เหมือนกันหมดพระสงฆ์สุปฏิปโนะเป็นผู้ปฏิบัติดีทุกคนแล้วถูกต้องทุกคนไม่เปลี่ยนกันอื่ถ้าใครทำถูกแล้วมันก็ถูกทุกคน ไม่ใช่ว่าไอ้คนโตทําทําผิดมันถูกหรือทาถูกมันผิดไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะจริงตรงไปตรงมาเป็นอริยสัจให้เข้าใจฉะนั้นใครจะไปแยกยุดทิศไหนก็ช่างเถอะพยายามทุกท่านอืมให้พยายามบอนนี้มันจะกลวนมันจะขึ้นพรรษามาแล้วบางทีอาจจะก็เปลี่ยนท่านจะเปลี่ยนขอวัดเปลี่ยนอย่างว่าเราทําธุระหน้าที่ทุกๆุกกอย่าง เมื่อทำไปทำไปเนี่ยโชกเขามีวันทิศวันเสาร์มีพักร้อนพักเย็นมีเงินโบนสัสอยู่เฉยๆก็ได้กิ น, นอันนี้คือมันการทำครั้งแรกก็ทำยากลนบากนิดเหนื่อยบางทีจิตใจท้อถอยบางทีเออพวกเราอยู่กันซะก่อนเถอะส่วนรวมทำไปปล่อยถ้า่อนห้ใจสบายเล่น นี่ปล่อยทําตามปกติของเราบีบเกินไปไม่ได้อืมเรารู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเราหาของพอดีนั่นทำมันน้อยไปเราเติถ้ามันมากไปเราออกนี่เรียบอย่างนี้ปฏิบัติจนถึงสัมมาปฏิปทาพอดีการประพฤติปฏิบัติเหมือนกันาอทั้งลุกไปขนาทั้งถอยขหลังเพื่อหาความพอดีของเราเนี่ยเองไม่ใช่อื่นไกล บางคาวบางทีพอสมคนเหนื่อยแล้วทานเอนเหนื่อยแต่ก็อยู่กันเลยอยู่กันเป็นปกตินั่นปฏิบัติเราเองตอนตะรู่งเช้าตอนตอนเย็นตอนเช้าทําเองเดินเองทำเองปล่อยสักพักหนึ่งสัมันจะบินเขา้าวบ่ายเอามันมาขังอีกมันดื้อย่างเง้ยเข้าขอวัดอีกควบผูมมีอืกให้มันเข็ดฝึกการฝืกการทรมานการฝึก ถ้ามันเป็นปีก็ทําอีกนี่เรียกว่าการปฏิบัติหาทางผลทุกข์ของเราแต่ว่าบางแห่งทํามาอย่างเดือนหนึ่งแล้วทํามาสิบห้าวันทําเต็มที่กันหยุดอีกเจ็ดวันหรือสิบห้าวันซะปล่อยตามสบายลองดูสิบางคนท่านปล่อยตามสบายโดยสบายไเลยนอนเลยไม่ต้องทําอะไรอบางทีตอนเช้าพิธบาทก็ไม่ทานเพื่อนี้นอนสบาย อย่างนั้นมันผิดนี่อืท่านพลอยเป็นตกศีรษะอยู่ตามสบายไม่ต้องทำมัดไม่ต้องสวดมนต์อยู่ตามธรรมดาของเราเนี่ยไปเป็นถบ า, าดมาชั้นชเป็นถบน า, าดแล้วการผูกจา่ปาปลาใสของเราทุกกิริยาบุตรแล้วมีความรู้สึกอยู่ในใจของเราอืนี่วิตรกไปทั้งธรรมะเดินจงกรมภาวนาอยู่สมูมีบางครั้งที่เราจะปฏิบัติแน่ๆบางนอ น, น, อ, นอือ ม, มันก็มัน ทำวัดสวดมนต์ทำกิจวัตรสัตว์พอย่างมันก็ลาบากมันขัดหัวทางแล้วเราอยากเจ็เดินอยู่คนเดียวอยากจะบว่างท่านก็ปล่อยให้เราว่างๆไม่ก็มีงานอะไรอืนี่ถ้าถ้าว่างเราก็ทําหน้าที่คนดีดีขึ้นคนที่มีสตาเนี่ยคนที่หยุดงานหยุดหยุดหยุดขอวัดแค่นอนเลยไม่เอามันเป็นพระแแบบนี้ อันนี้เราทํามาแล้วทํามาแล้วออทํามาแล้วอันนี้รู้เรื่องสประการณ์มาทุกอย่างฉะนั้นผู้ที่บวชมาใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องก็มีมาอาบัติมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องอก็ ค, คนเอาคนในบ้านมาบวชไปทํำบางคนเดินวินทบาทเ ร, เ, ร เ, รเรื่องเรื่องออกจากบ้านมาหันหน้าเข้าฝ่าวกา้าสะบงขึ้นยืนเยี่ยวจับจับจับขึ้นมาเนี่ยน่าดูไหมล่ะ แหวไหมเนี่ยอุ้ยผมไม่รู้ครับมันเคยทํามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่เป็นฆราวาสแม่มันเป็นไซดอย่างนั้นอันนี้แล้วไหว้ฟังมันรู้เรื่องเออยืนปัจฉพนีณีมันไม่ดีมันเพลิดเพลินก็ต้องระวังระวังเข้าไปเรื่องอื่นต่อไปมันติดต่อกันไปต้องพยายามทํำเราทําถูกเรื่องของมันมันก็ดีขึ้นดีขึ้นบุญมันก็เกิดขึ้นมันมีศรัทธาขึ้นเรื่อยๆไป ให้เราเข้าใจอย่างนั้นการประพึติปฏิบัตินี่ในภาษานี่มันมีหลายอย่างแล้วแต่ครูอาจารย์เราจะมีอุบายตัวเราเองก็หาอุบายตัวเราเองอย่างนึงอย่างนี้หยิดใจของคนเรามันก็ลาบากนะ่ะแต่อื้อค่อยๆทำไปเถอะหยุกรีดไปเระเอ้งมันเลย น, นอนเลยผมเนี่ยใจดีเกินไปมันเย็นเกินไป ให้คนนั่นมันยินมันไปชอบมันนอนตองทำเมืนทำยังไงล่ะมันเดินจังกรมไหมมันทำความเพียรไหมล่องทีเรื่องตื่นขึ้นทำบางคนดุแรงๆพอทาบางคนดุระแรงโกรธ เ, เลยไม่เอาให้เข้าใจทีเรื่องปฏิบัติของเราสารพัดอย่างการพูดการจาการทําทุกอย่างข้ามาอยู่ในที่นี้ ท่านจะดีท่านจะดูท่านจะไออะไรของท่านก็ให้เป็นข้อปฏิบัติสาหรับท่านเตือนเราเตือนเราเรารู้ธรรมะทั้งนั้นอ่ะอืเยี่ยวพระใหม่เนีนใหม่ยัไม่รู้ว่าท่านเทศธรรมะมากท่านขึ้นบรรลังท่านท่านหมนโมตสะปะคาโมโตก็เห็นนั่นนั่นมาท่านเทศลูกศิษย์ก็เริ่มนโมขึ้นแล้วอาจารย์เริ่มนโมขึ้นลูกศิษย์ก็เริ่มม่วงไปี นะมันก็ต้องทุกริยาบทท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนที่ไหนท่านบอกแล้วนะ่ะเทศทั้งนั้นอเทศทั้งนั้นสมัยก่อนเพิมประยชน์ข้อเสนอจารย์ชินนบีไม่รู้จักเมื่อไปทําไม่ดีแล้วมันะตง น, กนะนะ you know, นตรงนกแล้วเนี่ยอยู่โน่นชะันเยู่อ้าวมันตกนรกแล้วเนี่ยนรกอะไรมากเกินไปทําอะไรไปตกนรกทั้งนั้น เ้าก็ฟังวิจาณาไปไม่ไม่รู้เรื่องของนรกท่านาตกนรกแล้วบางทีอานแล้วมันจะตกนรกแล้วเหอลวงพ่อนี่กะไรกับนรกนรกทตรงนั้นเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็ไม่ถามท่านทาไปทำไปโอ้ยมันเริ่มจะเข้าไปหานั่นเหตุที่ทุกข์จะเกิดนั่นน่ะจะไปตามเหตุที่ทุกข์เกิดน่ะนรกอยู่ตรงนั้นมันจะตกอยู่ตรงนั้น พูดไปพี่อางเออตัวทุกข์เองมันเป็นนรกแนะขนาดนั้นก็ยังไม่รู้เนะ่ะตัวทุกข์เนี่ยมันเป็นนรกคนที่ไปความชั่วอะไมันเกิดทุกข์ตัวนั้นคือสัตว์นรกนี่จะไปตรงไห น, นมองไปมางมาโอ้นรกไปอยู่นี่เองสกกัตว์นรกไปอยู่นี่นะมันอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เรามันเราไม่รู้จกักต่อไม่เห็นนะไม่รู้จักลําบากเราทุกคนเหมือนกัน ถ้าเราถึงธรรมะแล้วมันจะไม่มีอจิตใจของมันมีตกไปมีตกในทางที่ผิดมันแก้อืมีตกไปในทางผิดมันก็เป็นทุกอย่างอ่ะมีตกไปทางกรมาคุณทางชั่วทุกอย่างมันก็เป็นไปแต่มันแก้มันถอนออกมามันถอนนี่มันถอนเมื่อทําไปแล้วจะดูสิเมื่อเราคิดไปทําไปไม่รู้เรื่องถ้าเรามีศรัทธายันทั้งใจ อีกไม่นานนะ่ะถ้าเราตั้งสติอยู่นี้สิติอยู่เรียวปัญญาเดินมาที่หลังหรอกอีกสามนาทีสี่นาทีชั่วโมงบางทีวันสองวันบางทีก็ช้าหน่อยกันเดินปัญญาพูดว่าปัญญาเดินมานี่คุณทางไหนก็จะไม่รู้เรื่องเหมือนกันนึกว่าปัญญามจะเป็นคนมาอิสระนะเราทําไปแล้วไปแล้วไปอีกวันหลังวันจะมีความคิดขึ้นมาปัญญามาตามอย่างวันนี้เราดุกเกินไปใช้แล้ว นอนหรือคืนหนึ่งเออมันมาเนี่เออคนทํำนั่นกำลัไ ป, ไปดีนะทํานี่ไปดีแล้วหน่าวันนั้น น, ะนี่มันมาในปัญญานี่แก่แล้วตั้งตัวอะไรแล้วนะี่เริ่มมาอีกต้องรู้จักอย่างนี้เราอืจะไปเอาธรรมะที่ไหนลนะ่ะอคก็ต้องทํากันอย่างนี้รู้เรื่องอย่างนี้อบางทีก็บอกโอ้ปัญญาบรานดากน่าเกิดเพราะพระ พ, พธธุทธเจ้าก็จะสบายนี่ตัวขี้ โงไพพ่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอืมไม่รู้จักพระพุทธเจ้าของเราจับตัวท่านมาให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพระพุทธเจ้ามาเห็นมีแตพุทโธพุทโธพุทโธเอาชื่อของท่านมาเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ก็ยังงง่งแหละพระพุทธเจ้าตัอยู่ไหนนเอาะในขั้งพุทธการทำไมปฏิบัติปิดเดียวกับการศึกษาแล้วนี่เราก็อยากได้อย่างกันเหมือนกัน อืบางทีเจ็ดวันเป็นพระอรหันต์แล้วบางทีโกนผมนี่พิจารณาแล้ยโกนลงโลงแบบปุ๊บเป็นโซดาเป็นสักีคาคาเป็นอนาคาพขโกนผมเจ็ดปุ๊บเป็นพระอรหันต์เลยเราไปจากอะไรกันเนี่ยการเราทำไมนั่งทําไมมันไม่หยุดมันวุ่นมันไม้ด้วอเกินนี่มานั่งเนี่ยจิตมันก็ไม่สงบเนี่ยนั่งบางบานโน้นมันไปดูหนังอยู่น ไปกินเกียวอยู่ตลาดนู่นเห็นไหมยุงนอ้วนมีไหมนะ่ะนุ่นมันไปเที่ยวอยู่ตลาดนั่นนะเนี่ย mm hmm. เห็นผ้าท่นาทนมาโกนผมลงจบปุ๊บก็เป็นผ้าหลานเนี่ย mm hmm. ใช่ไหมน้องเราทำไมมันยุ่งเกินไปนาะเอ้ยเราจะไปพูดอย่างงั้นได้เนี่ยมันคนละเรื่องกันถามแล้วนีดี๋ยไปถามม า, มา น, นันเถอะเรื่องมันเป็นอยู่อย่างนั้น <laughs> เมื่อเรายังไม่ถึงเราก็ไม่รู้นล่ะ สงสัยตลอดไปเรื่องสงสัยสงสัยไปเถอะตามองเห็นก็สงสัยอะไรสงสัยคนคนหนึ่งมันมาเคยสงสัยเนี่ยเทสได้ฟังมันมานั่งใกล้ใกล้เทสจบแล้วหลวงพ่อผมสงสัยเอาที่สงสัยอะไร ม, มนุษย์ทําไมไมันึงเหมือนกันอ้าวของมันหนึ่งเหมือนกันมันไม่มันสร้างมาคนในอย่างมันก็ไม่เหมือนเน่ะ อย่างต้นไม้มันเหมือนในป่าเหมือนกันไหมต้นมันคดคดง อ, ง อ, งอมีไหมอันนั้นก็ไม่ต้องพูดอันนั้นมันต้นไม้คนนี่ทํำไมไม่เหมือนกันคือมบรรยายนคนเหมือนกันทุกคนนะโดยมันคนในอย่างมันไม่ดูเรื่องคิดขนาดไหนคนก็ไปเหมือนเหมือนกันเรียนจบวิชานนเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันความคิดของเขาทำไมไม่เหมือนกันคนเกิดมานี่ บางคนมันซื่อสัตย์บางคนมันขโมยทรพัพย์ย่างเออเรื่องโลค ก, ก็เป็นอย่างงานโลกก็ไปโลกไอคนนี่นะทำไมไม่เหมือนกันมันมาเถียงมาอยากให้คนเหมือนกันเราเคยบอกว่าคุณคุณคิดผิดคุณดูจะเป็ดดูจะไก่ไม่รู้ครับนี่คนหดึอย่างคุณพูดเดี๋ยวนี่คุณอยากให้เป็ดกับไก่เหมือนกัน นั่งตรงนี้อยากให้ไก่กับเป็ดเปนเป็นอันเดียวกันคุณเกิดมาแล้วคุณจะตายตีมาคิดเช่นนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไก่ก็เป็นอย่างหนึ่งเป็ดก็เป็นอย่างหนึ่งคุณอยากให้ไก่กับเป็ดเป็นอันเดียวกันถ้าไม่เป็นในเหมือนกันนี่เขาก็คิดไปเรื่อยๆพนที่สุดเป็นบ้าเลยเอาสินะมันไม่เป็นให้คนเหมือนกันมันก็ไม่เหมือนให้เป็ดเป็นไก่มันก็ไม่เป็นเดี๋ยวเราก็เป็นบ้าเสียท่าเลยเห็นไหม นี่นักศึกษานี่เห็นมนี่จะไปบงังคับให้มันเหมือนกันนี่นึกว่าเรามีปัญญาหลายแล้วสิิงทั้งหลายแล้วนี่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นหายรูปเท่าตามความเป็นจริงเหมือนเสียเมื่อไรถูกเกเดมาครอบงำบางทีมันก็มันก็คิดคิดดังเกียดคนโน้นคิดรักคนนี้ คิดไม่ชอบใจก็อารมณ์เหล่านั้นนี่อเราจิตเหี่ยงหวีนยงเรื่อยปเหมือนกัมันเป็นเรื่องธรรมดาของมันน่ะเราต้องเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเห็นจ้งว่าอันนี้มันไม่ชอบแล้วให้รู้จักมันซะอันนี้มันไม่ชอบอันนี้มันผิดมันรู้จักผิดแล้วถ้ารู้จักผิดแล้มันคิดอย่างนั้นก็จะตามมันไปดิ่าปฏิบัติตามมันดิ มันจะสั่งงานเราสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทําตามมันดิเรารู้ความจริงแล้วนี่นี่เดี๋ยวคนนี้ซื่อสัตย์อย่างคนงคนี้กรรมบทตริบหรือชิ้นห้าประการชิ้นแปดประการกรรมบทตริบอะไรทั้งหลายตรงนี้จังมั่นู่แล้วมมเมื่อไปถูกอารมณ์มันดึงดูดไปที่ไหนแล้วไม่ใช่ัยมันดึงออกไปจากมานไม่ไป เราก็รู้จักให้เรารู้จักการปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่าของเราจะไปเรียนให้มารู้อย่างเดียวไม่เรียนเราก็รู้จักเรารู้จักไม่เรียนเราก็รู้จักถ้าเรามีสติอยู่ไม่เรียนเราก็รู้จัก ทำไมจะไม่รู้จักรู้ฟังเสียงไงมันไม่ชอบใจอย่างนี้นี่มันรู้จักแล้ว<ม>ชอบใจก็รู้จักไม่ชอบใจก็รู้จักนี่จะเรียนมันทําไมนี่มันรู้เรื่องหลักปฏิบัต<ม>ิเรื่องชอบใจไม่ชอบใจอย่าเอามาเข้าในใจเราสิฟังแล้วก็รู้เรื่องมันเรื่องมันชอบใจเราหนี้ก็ไมไม่ใช่เหมือนกัน เรื่องไม่ชอบก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่สัจธรรมแล้วรู้อย่างนี้ไม่ต้องไปเรียนคมพีมันหอกถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็รู้จักคนเรามกงไปดูเรื่องที่ชอบใจเราก็จะเอาไม่ชอบใจเราก็ไม่เอาคือปฏิบัติอยู่ในวงอวิชชา ม, มันอยู่ที่นั่ะ ปฏิบัติเอาที่ใจชอบที่ไม่ชอบฉันก็ไม่เอาถ้าไม่ชอบแล้วก็วุ่นวายถ้าชอบก็สบายไปหน่อยนี่มันผิดทั้งนั้นแหละอืธรรมะที่พระพุทธเจ้าสสอนนั่นนะอืชอบมาให้เอาไม่ชอบมาให้เอาไม่มีชอบไม่มีไม่ชอบไม่มีรักไม่มีเกลีย เราเริยนตรงไปนี้มีเป็นสัจติธรรมไอ้สิ่งใดที่เราชอบยั่งพวกเราอยู่ดีกันไอ้ใครพูดไม่ค่อยจะถูกขหูเราแล้วก็รังเกียดเนาะนี่ไอ้คนที่พูดถูกใจแล้วแล้วก็สบายนี่แล้วก็อยู่แค่นี้ก็ไปรังเกียจคนที่พูดไม่เขาหูเรานานนกกคมััที่พูดหูเรานี่จะต้องเป็นอย่างนี้ใจที่เป็นกีเลสต้องเป็นอย่างนี้อืม ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนั้นก็นึกว่าเราถูกอนึกว่าเราถูกแล้วรู้จักแต่เรื่องมันชอบไม่ชอบดีไม่ดีอนั่นไม่คิดแคอย่างนั้นรู้จักแต่เรื่องบุญหนึ่งบาปบาปฉันไม่เอาฉันจะเอาบุญ อันนี้มันเป็นตัวอวิชชาเหมือนกันนะเรื่องไม่บาปไม่บุญนั้นทําไมไม่เดินนะ่ะเรื่องที่ว่ามันไม่ดีไม่ชั่วนั้นไมไม่เดินเนาะมันทางจะพ้นทุกข์ทําไมเราไม่ดูอไอความแท้ดีดีจริงก็มันอยู่เนี่ยมันอยู่เนื้อดีเนื้อชัว่วมันอยู่เนื้อผิดเนื้อถูกอื มีผิดมันก็ยึดมีถูกมันก็ยึดอยู่แล้วรู้จักผิดจับถูกเรื่องไม่ผิดไม่ถูกทำไมไม่รู้กันนะทำไมไม่ศึกษารู้จักเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ดีไม่ชั่วทำไมไม่ไม่เรีย น, นทำไมไม่รู้จักในทางที่มันจะพ้นทุกขนะ์นดูดีการปฏิบัติญาญาออกจากใจของเราดิ ให้ดูในใจกันหน่อยอย่าไปอาศัยข้างนอกอารมณ์มาทุกระทบข้างนอกมันผิดหรือถูกก็ดูใจเราสกักพอนดูจิตตมันจริงอย่างนั้นไหยหรือมันไม่จริงอย่างนั้นแล้วต้องดูของเรามันเป็นสีขีปูโตเอาตัวเป็นพยานของตัวเลยลไม่ต้องไปเรียนที่ไห น, นอแล้วนี่ภาวนาจริงๆจะต้องเห็นอย่างนี้ หาจิตที่แท้จริงเจตใจมันที่แท้จริงก็เหมือนกันกับใบไม้ใบไม้มันเกิดมาไงทําไมมันนิ่งไมไหม้ทําไมมันนิ่งนี่คือธรรมชาติของมันมันก็นิ่งๆไม่มีอะไรเกิดมาใบไม้มันไม่กวดแฝงเราตามธรรมชาติมันมันนิ่งเรารู้จักอีกเวลานึงมันกวดแฝง เพราะอะไรเพราะอะไรมันมันถูกร้มมันจึงกวดแฝงจิตใจของเรามันหลงอารมณ์มันจึงกวดแฝงถ้ามันรู้อารมณ์เป็นต้นมันก็ไม่มีอย่างนั้นไม่กวดแฝงถ้ามันรู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีมันเป็นปกติของมันแสดงมันกวดแฝงมันมีที่เดียวแค่อืมดูคราวนี้มันก็พอแล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหน มันจะถูกอารมณ์ซักเทระชั่งแล้วรู้สัจจะทำแล้วแล้วมันก็นิ่งมันสบายมันสงบเออนั่นกการปฏิบัติให้เราเข้าใจ <c oughs> ของแยบคายในพุทธศาสนาของเรานี้ยอย่างเราทำกันมัน ะอะจารย์บวายฟังนะนี่เขาเรียกว่าพระวันเนมทั้งนั้นนะนั้งคนดีใจกันพูดได ง, ง่ายเขาบอกเป็นพระเป็นเนนถามไปอีกทีหนึ่งหน่งมันเป็นเนนจริงหรือเปล่ามันเป็นพระจริงหรือเปล่าถามเข้าไปหนึ่ถามตัวเข้ว่าอีกไปเห็นตัวจริงไหมมันจะไปเละหอดอยู่ในบ้านนะมันไปนคุกคีอยู่ในบ้านมนะัน อย่างเราขบวนมาในพุทธศาสนานี้ไม่ได้เสพกวามได้เลยเนี่้ก็เลยดีใจนะถ้าผมพูดว่ามันยังเสพกวามอยู่เนี๋ยอนี้จมาดูเหรออย่างหลวงพ่อเนีย่ยเจ้าพรท่านนี้มีแม่บ้านอยู่ในบ้านทุกคนเสพกวามอยู่ออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเลิกแล้วแล้วมันต้องเสพคามมันเลิกวัเนี้นะอย่างนี้ อันนี้เป็นคําพูดของเราจริตติดปากกันมาแต่เมื่อเรามองกันไปจริงว่าใครเสียดตามันเห็นรูปทามันดังเกลียดเขาต้อก็ไปเสียเขาอีกถ้ามันชอบเขาต้องก็ไปเสียเขาอีกอตาหูจมูกปีนกายจิตเมือนไ่รู้เรื่องมันจะเสียทัมดทั้งหมดเห็นทั้งพรทั้ ง, ง, ง, ง, ง, งเนี่เสียตามไม่ได้นีจากตามแล้ว ไม่นี้จัด ก, กามแต่ว่าธรรมราที่เราพูดกันออกมาจากวานด้วยมถ้าฉันไม่มีเมียแล้วฉันไม่เสียตามแล้วเนี่ยอพูดโดยป ก, กติเมื่อคนก็ไปหาความจริงจริงแล้วนะยังมีการเสียตามอยู่ถามจะคล้อก็ได้ทุกองเอาพระอ้วนนี่เคยเสียเหกันตายเห็นหนุผู้หญิงมันชอบไหมน่าเสีเอเลย จมกร้องกลิ่นเนี่ยมันมันหอมนี่ชอบพอเสพแม่นั่ น, น, นเสพ แ, แล้วนะมียังเสพกรามยังปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้นี่เดียว่ายังเสพกรามอยู่ที่ว่าเราเป็นพระนั่นเลยสมมุติกันขึ้นมาละแต่ก่อนเราก็เป็นโยมอยู่อืมเมื่อวานเราเป็นโยมอยู่ตอนนี้เรามาบวชเป็นเลนเป็นพระเดี๋กว่าเราเป็นพระเป็นเลนเนียมันเป็นแต่รูปร่างเนี่ยใจมันยังอยู่อืใจมันยังอยู่ ตรงนั้นใจน่ยยังอยู่ไนะเราต้องการตรงนั้นระงรับตรงนั้นมันถึงถูกตรงนั้นไม่ระงรับมันเป็นไปไม่ได้มันโรคมันโกรธมันหนุ่งมันเกิดมาจากตัวนั้นคือจิตอันนั้นถ้าระงรับจิตไม่ได้ก็ไม่เป็นสมณนะตรงที่พระศาสด า, าท่านการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นให้ดูภายในจิตของเจา้าของมันเห็น อย่างคนอื่นทําผิดก็ไปยกโทษเขาเรื่อยๆไม่หยุดยกไม่หยุดด้วยกันเพราะเขาทําผิดถ้าคิดไปอีกก็ดีส่วนหนึ่งแต่กคิดเข้าไปถึงทิงมันเรื่องของเขาเราจะไปแบกทนใหม่มันทุกข์เห็นไหมเนอีอยนานๆเรานก็เลยพร้อยคาดไปตามเขาด้วยเห็นเขาผิดเราก็ไปรื้อฟื้นขึ้นมาเห็นเขาผิดต่อไปแล้วก็ผิดอีกเพิ่มมันก็ไปอีกสองคน อันนี้คนไม่รู้จักการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติมั น, น, น, นะ น, นการศีล ส, สมาธิปัญญาผมไปพูดบ่อยๆแต่บางคนจะไม่ค่อยขอดใจหรือไม่เอาใจใส่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันเป็นสามอย่างแต่ธรรมะของผมผมพูดอะมันเป็นอันเดียวมันเป็นอันเดียว เรียบไปฟังมันเป็นอเดียวยังไงเหมือนมะม่วงใบนี้หละมันเป็นใบเดียวแต่ว่ามันมีรสเปรี้ยวก็มีมันมีรสหวานก็มีกลิ่นหอมมันก็มีรสทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายเหล่านี้มันออกมาจากผลไหมอันเดียวกันเท่านั้นธรรมะนี่ก็มันกัหนึ่งศีลก็นี่งสมาธิปัญญาเป็นสามไอ้ความเป็นจริงอันนี้ไม่มีสามหรอกเหมือนมะม่วงใบนั้นหวานก็เกิดมาจากนั้น หอมก็เกิดมาจากนั้นเปรี้ยวก็เกิดมาจากนั้นแต่มันแยกกันอยู่อย่างนี้ก็อยู่ในมะม่วงใบเดียวกันมีย่ปฏิบัติธรรมะโครงการศีลสมาธิปัญญาถ้าเราพูดมันก็ดึง ด, ดูความเป็นคนออกไปคนลนอย่างศีลอันหนึ่งปัญญาอันหนึ่งสรรพัฒน์กอย่างการปฏิบัตินี่นก็เหมือนกันเราปฏิบัติสมาธิ ถ้าปฏิบัติสมาธิมันก็ถึงปัญญาอถึงสิ่งเนี่ยพูดถึงสมาธิมันก็ถึงปัญญาเลย ม, มันมีปัญญาจับมาห่วงใบนี้ขึ้นทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งหอมอยู่ใบเดียวกันอืแต่พูดถึงกลิ่งทั้งรสมันคนละอย่างแต่อยู่ใบเดียวกันอันนี้ธรรมะเดียวเอโกธรรมโอธรรมมีอันเดียวเท่านี้ไม่มีมากมคือจิต ของเราเทียมันเห็นชัดแต่มันก็วางต่อหมดแค่นั้นที่เรามาทำนีเนี่ยบางคนก็ลำบากหลายคิดไม่ถึงเขายัางนั่งสมาธิสมาธินี่ความตั้งใจมั่นเป็นตั้งใจมั่นดูดิไอ้ความตั้งใจมั่นมีศีลไหม มีปัญญาไหมมันจะเกิดให้มกกันเป็นถ้าโทษที่ถูกจริงๆเนี่ยเราปฏิบัติธรรมมีทางศีลทางสมาธิทางปัญญาไปร้อมกันสมาธิตัวเดียวนี่นะบางคนก็นมานั่งในคิดจากให้มันคิดอะไร ไม่คิดอยากจะมาโน้อะไรเบาตรงนึงว่าโอ้ฉันทํำสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นมันดึงไปโนดคุมมันไว้เดี๋ยวตธอนี่ก็ดึงไปโน้นดี๋ยวก็คลุมมันไว้อันนี้คือความเข้าใจผิดใครจะดึงไปที่ไหนถ้าพูดตามความเป็นจริงน่ะให้มันดึงไปเถอะเสียงกะมันได้ยินรูปอให้มันเห็นมันด้งใจมันตึองจะมีปัญญา ไม่อยา ก, กให้มันคิดไม่อยา ก, กให้มันรู้มันจะรู้อะไรมันจะรู้อะไรไม่รู้อะไรหรอกการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่ให้เรามีสติทั้งวันทั้งวมรยู่ทุกเวลางั่นมันจะพยายามอบรมสินอบรมสมาธิและอบรมปัญญาเมื่อมันทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้จักว่าทุกข์ ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาพาะอะไรมันเป็นเหตุอะไรไหมเหมัมนอนเราอยู่ธรรมดามันก็เป็นเห็นไหมเราอยู่เงี้ยเราอยู่งี้ยเราก็สบาย อ, ยอีกวันหนึ่งเราอยากยกระโถนมาหนีมันมายกเกิดมาตจางแล้วตจางแต่ก่อนที่เรายัางไม่ยกกระโถนถ้าพยยกกระโถนขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันหนักมันเพิ่มขึ้นมามันมีเหตุ หนักมันจะเกิดเพราะอะไรเพราะกระโถนนี่มันเป็นเหตุเรายกมันถ้าเรามายกมันนุง่ง่ับนี้อะไรอถ้ามีเหตุพวกอย่า้กระโถนมันไปยกตรงผมมารู้สึกแล้วว่าที่เราจะยังมายกกระถนกับเรายกกระโถนนี่มีอาการต่างกันต่างกันยกกระโถนนี่มันหนักถ้ามายกมันเบานี่รู้แอืม ไอ้ความหนักนี่มันมีเหตุให้เราหนักคือเรายกกระโทนนีนมันถึงหนีน่ถ้ามันจะไม่หนักก็เป็นเหตุที่เราวางมันไปมีหนักมันมันก็ไม่มีหนักเพราะอะไรเป็นเหตุเพราะเราวางมันไปมันก็ไม่หนักเท่านี้เท่านี้ก็รู้มันแล้ว็นต้องไปเรียนที่ไหนรู้แล้วถา้าเราไปยึดอะไรอันนั่นเป็นเหตุให้ทุกเกิดถ้าเราปล่อยไปมันก็ไม่มีทุก นี่ทําไมเราไปยึดมันเพราะเราอยากมันนึกไปยึด ม, ม, มันก็นั่เท่านี้เลยมันไม่ใช่อื่นไกลๆเราเห็นชัดตรง น, นี้การปฏิบัติแบบอย่างนี้เลยการยืนการเดินการนั่ ง, ก า, งการนอนเสมอนะเรานะต้องสแสดงหาสมาธิสแสดงหาปัญญาสแสดงหาจิตไปพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยอืพร้อมกันเลย เต็มมันก็เต็มเต็มพร้อมกันบารมีเต็มมันก็เตรียมพร้อมกัน mm hmm. สมาธิฏฐิปัญญาเห็นชอบถ้าปัญญาไม่เห็นชอบเมื่ อ, อไร mm hmm. ทุกอย่างที่เป็นมัจแปะมันชอบไปหมดชอบสิบเปอร์เซนบารมีสิบอย่างมันก็อ10ันละสิบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็อร์เ็นต์เหมือนกัน เหมือนมะม่วงมันแก่ลูกนั้นมันก็แก่หมดทั้งลูกอะไรที่จะไม่แก่่างนี้มันพร้อมกันไปทั้งนั้นมันหามมันก็หมไปหมดทั้งลูกมันสุกก็สุกจนทั้งลูกมันเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันไม่แยกกันเราไปแยกมันออกล้วไม่รู้เรื่องมันยุ่งยาก นังนั่งการปฏิบัติของเรานั้นคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มีสติควบคุมเสมอให้มันรู้จักให้มันรู้จักรู้จักผิดรู้จักถูกมันมีความรู้อย่าไปมองดูทางนอกไปยึดทางนอกมันลืมตัวมันไม่เห็นตัวออมื เราจะรักอันนั้นเราจะดัปนประหยัดอั น, นโน้นเพราะจิตเราเป็นเหตุเป็นต้นต่ออย่างนั้นเราต้องดูจิตของเราซะก่อนเพราะอะไรเพราะจิตของเรานี่มันรักมันเกลียดมันไปยึดมั่นถือมันไม่ใช่อันนั้นอยู่ข้างในนี้เป็นเหตุถ้าเราดงจัดอย่งนันการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติใจพูดง่ายๆคือใจอันนี้เป็ น, น อันนี้เราแยกกันไปแยกกันไปธารุพัดอย่างมันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งมันยุ่งเราปฏิบัติอันเดียวเท่านี้ถูกหมดเอาพูดง่ายๆใช่ยังดูพระอ้วนองเดียวเท่านี้แหละเห็นแน่ว่าพระอ้วนรู้แล้วว่ามันเกิดเบื้องต้นมันแปรไปทำกลาง ที่สุดก็ดับไปพระอวนหลับไปอย่างนั้นดูองค์เดียวเท่านี้แหละในโลกนี้เราจะเป็นอย่างนี้ทุกองค์เลยไม่ต้องไปตามดูมันเดนไรเรามีองค์เดียวเท่านี้ให้ชัดเจนทั้งนั้นด้วยจากนี้อันเดียวเป็นหมดไปรู้หมดทั้งโลกก็เห็นเป็นอันเดียวเท่านี้รู้อันเดียวเท่านี้ก็เห็นหมดทั้งโลกนี่ถ้าเราหยอกคำพูดสมาธิตั้งแต่ น, นี้นี่ฉะนั้นเราต้องดูจิตอันเดียว กินเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะก็จิตอันเดียวเท่นัน้ถ้าเรารู้จักของมันมันก็เป็ น, น, นเราอยากจะรูปของแน่นอนก็คือเราให้พระพุทธองค์สอนวิจารณาร่างกายวิจาณ์ไปเท่ากันมาซีสะซีสะสะหะไปเท่ากันมาไม่เห็นชัดว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นก่อนอื่นนอกนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่แปรไม่เปลี่ยนสําหรับที่เดียวกูรูปร่างอันนี้ รูปมันจะรอเขานี่มันก็เป็นอย่างนี้รูปมันจะขี้เดยมันก็เป็นอย่างนี้เหมือนองค์องเดียวเท่านี้ทั้งหมดในโลกเรารวมมาเป็นคนคนเดียวมันก็ไม่แปลกอะไรกันนักมันก็เป็นอย่างนี้อือฉะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่เห็นไหมท่านอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญามันไปพร้อมกันเลยพร้อมกัน สินมันสามัคคีสมาธิกับสามัคคีขัญธ์ญาติกับสามัคคีพร้อมกันเหมือนมะม่วงใบนี้น่ะมันจะดิบมันก็สามัคคีกันดิบมันจะหามมันก็มีความสามัคคีกันมันกว่าหามมันจะสุคมันก็มีความสามัคคีกันสุขพร้อมกันทั้งนั้นชั้นใดมันกันเพราะมะม่วงใบเดียวกันเท่านั้นไม่มีอื่นการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันบางคนก็เป็นนั่งไม่อยากให้มันรู้อะไร มันเรานั่งเอาไไปครอบไปเหมืนั่นจะเกิดประโยชน์อะไรมอยีที่เราก็ไปนั่งสงบนั้นไม่ใช่ละสงบจิเตมันทําไปทําไม่จิบสงบชั่วคราวอะไรนมันหยุดหยุดมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาจบตามเรานั่งเลยเหมือนกันเราหายใจสบายสบายนยแค่นี้สบายแค่เดี๋ยวนี่ อีกต่อไปเราจะประคดเอวมาลัดคอนเหรอให้ลัดตรงไห้ไม่แ น, น่คอยลักเข้าลัดเาลัดเข้าเอ็กวามสบายมันจะไม่มค่อยมีให้ควอมไม่สบายจะเพิ่มต่อมาเพิ่มมาลัดต่อไปจนหายใจเหนอ่อยจนทุกขทรมานอยู่เป็นทุกข์รู้สึกว่าเป็นทุกข์ลัดกับไปจนใจจะขาดกับัดกับไปเรื่อยเนานพอสมควรล้ำบากหลายไปละประคดเอวออก Ừ, เลือดตัวมันมวิ่งเสมอนะมีคนเออเดี๋ยวนี้สบายมีเห์มันก็ไม่สบายแล้วเพราะระยะก่อนมันทุกข์ทำไมมันก็เหมือนแต่เราเดียวนี้แหละแม่อภุดลัดเอวมันปวดเพลาดนี่แหละไม่ค่อยสบายแล้วแต่ว่างวันเอามารัดกันไปมันทุกข์กว่านี้ ระบายทุกออกทุกออกไปถึงที่เก่ามันเสนอเลยนี่ก็เร็วนึกว่าเอออันนี้มันสบายแค่นี้อือดูดีใครมีความสุขไหมก่อนมันจะมีความสุขมันมีทุก่อนใช่ไหมแล้ว ม, มีทุกข์ก่อนให้หัวใจผสม ไรเนี่ตายมันจะดึงดัดน้องก่อนที่สบายมันทุกข์ก่อนเกือบตายเห็นไหมเข้าใจหมล่ะมันะบายทุกข์มันมีแห้งมาบอกนะเกือบตายมันสลับกันเท่งนั้นเราไปหลงอารมณ์เท่านั้นนอืเมื่อปล่อยกับคนเอวไปมันความสบายก็หยุดแค่นี้นหะแต่เมื่อเราอยู่แค่นี้เราไปนึกว่ามันสบายน่ะอยากสบายยิ่งยงยิ่งไปตัวนี้อืม ของอันเก่าเน่ะเราสําคัญผิดท่นั้นการปฏิบัตินี่กคือกรนรชนะอยากจะเป็นยังไงอยากจะเป็นนั่งที่อยากจะเป็นนั่งไม่ให้มันมีอะไรอ ไ, ไม่คิดอะไรไม่นึกอะไรออันนั้นมันบาปหลายเลยบาปตาย ไอ้ความคิดหรือมันไม่ดีอารมณ์หรือว่ามันไม่ดีถ้าเรารู้อารมณ์แล้วมันก็เกิดปัญญาอันนั้นแหละตัวสําคัญไอ้คนนี้พูดไม่ถูกกับหูเราแล้ไม่ชอบใจอยากจะนีมันไปนี่ตัวสําคัญแล้วนี่นี่แหละนําให้เราปฏิบาาัติให้รู้ตัวของเราเลยเพราะเราหลงเนี่ย อืหลงพ่ออ่พอเราไม่ชอบอไปกร น, นีไปอันนี้มันไม่พน้นถ้าเราไปอีกเราไปพบเสียงอันนี้อยู่ข้างหน้าอีกเราก็ไม่ชอบใจอีกก็ไปอีกมันก็ตายทิ้งเปล่าๆเท่า น, นั้นนี่ความสงบอิจิตต์ตรงรู้มันอมันรู้เราปฏิบัติให้รู้จับภาวนาพุโทพโธประตวให้มันสงบสงบพอให้มันรู้ พูดโทรแตงแต่าบบผู้รู้ฉะนั้นเราจะเข้าใจผิดบางทีไป น, นัง่งจดกล่าวไปนั่งไปกาหนดไม่ให้มันคิดอะไรไม่ให้มันรู้อะไรมันไปนขังตัวของเราถึงสงบขนาดใดก็จะทิ้งความรู้จัก ถ, ถ้าทิ้งความรู้จักมันก็เป็นบ้า เ, เห็นไหมให้มีความรู้จักรู้ตัวนั่นแต่พูดโทรอะไรเลย่าไปบนแต่ปากของเราทั้นนั้นเนี่ยมันถึงจิตของเจา้าของ การปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นอืมบางคนก็ไปนั่งไม่สงบนั่งเหน่ดคิดอย่างนั้นออไปอย่างนี้นอืถ้าไปนั่งเดี๋ยวมันก็ไปมันไปแต่ฉันก็ไปดึงมันมาแล้วอยู่ชัว่วคราวก็ไปอีกเอฉันก็ดึงมันมาเป็นว่าใครไปดึงใครก็ไม่รู้ใครไปใครมาก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่อง ไม่มีใครไปใครมาหรอกเน่จะมีใครมาใครไปเล่าอืมอืมดูมันดีๆตรงนั้นอย่างที่ผมพูดอย่างใบไม้มันเป็นปกติมันนิ่งถ้ามันกดแรงเพราะเ น, นมันลมมันมาถูกมันจิตใจก็นอกกับมันกันถ้ามันตุ้งสั้นนําการกดแกรงเพราะถูกอารมณ์ถ้าจิตจะแท้เน่ยมันเหมือนใบไม้นิ่งเลยตรงนี้สว่างอย่า ง, าางั้นดูอยู่เนี้ย อันนี้เราเข้าใจผิดกันจะต้องให้มันรู้สิมันรู้จักให้มันรู้จักให้สังวรสังรวมให้รู้จั ก, กว่ามันผิดมันถูกผิดก็รู้ถูกก็รู้จัก ม, มันจะคิดผิดขนาดไหนเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าอันนี้มันคิดผิดมันเข้าใจผิดไม่ให้มันนึ่งดูดไปได้นอกกลับามาคงที่ของเรามีความมั่น ความตั้งใจมั่นชอบคือไป น, นี้ไปกระขายอารณ์ดึงไปที่ไหนก็กลับมาตรงนี้เพราะมันมั่นอยู่แล้วไม่ให้มันขาดจากนี้ไปแค่นีน้ก็เป็นสังวรสินเนี่ยก็เป็นสมาธิเ น, นี่ยก็ปัญญามันก็รู้จักเกิดขึ้นมาแล้วคำมานั่งหลับตามันไม่ผิดต่อเทว่ิจารเวลาเวราะขุน่นวนั่งไม่รู้ไม่เอาตรงทีจัก หายใจออกเราไปโบมเดี๋ยวเราก็ไปโบมอะไรมารู้จักหมดทุกอย่างออกจากที่นี่ก็มีสติเดินตาเห็นลูกก็รู้จักหูฟังเสียงก็รู้จักรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างรู้จักผิดรู้จักถูกเมื่อรู้จักผิดจักถูกแล้วก็พยายามละมัน ให้มันเหนื้อไปก็นั่นอีกอจนกว่าใจของเราไม่ผิดไม่มีผิดมีถูกเหนื้อแล้วนี่คือเราปล่อยวางมันใชอย่างนี้รู้จักอย่างนั้นนี่เกียยวกการปฏิบัติ